ตอนนี้เราท่านทั้งหลายได้ถวายเสียงเป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็น้อมใจในการที่จะทำธรรมบูชายเกิดขึ้นในกระแสของจิตใจด้วยใครที่ทำเต็มที่ก็ถือว่าได้บูชาพระศ า, าสดาด้วยกุศละธรรมกุศละจิตที่มั่นคงที่มีศรัทธาตั้งมั่น ใครที่พลาดปล่อยให้บาปอากุศลแทรกก็ถือว่าได้มากระทําผิดต่อพระาศาสดาด้วยท่านก็ปรงใจท่านกันเองเพราะการทำบาปเกิดขึ้นต่อหน้าพระาศาสดาชื่อว่าขวางกาั้นการบรรลุของท่านเองนะเขาเรียกว่าไม่ตะหนักในคุณของพระาศาสดาอยู่ต่อหน้าพระาศาสดาทรงใจไปทางอื่น ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าพระธรรมหรือกำลังฟังพระธรรมอยู่ปล่อยให้ทีนามิทะครอบงำชื่อว่าไม่ตะหนักในคุณของพระธรรมอยู่ใกล้ต่อพระเทระเป็นต้นเหล่านี้ไม่กระทาการเคารพให้ถูกต้องชื่อว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาไม่ทำศรัทธาที่ตั้งมั่น ไม่ทำวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นชื่อว่าไม่เคารพในศิกขาสามไม่ทำศิกขาสามให้บริบูรณ์ไม่มีสมาธิตั้งมัน่นไปทำจิตให้ฟุง้งซ่านหรือหดหูเป็นต้นอย่างนั้นชื่อว่าไม่เคารพในสมาธิศิกขาไม่ทำอุปจารสมาธิและ อปนาสมาธิเป็นต้นให้เดินในกระแสใจได้เลยและอีกอย่างปล่อยให้ระลึกตามคำสอนไม่ได้ย้อนกลับคำสอนก็ไม่ได้ฟันเปื่อนเรือนเลอจจำอะไรก็ไม่ได้นั้นชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาทขาดสติประการสุดท้ายไม่มีอามิสปฏิสันฐาน กับภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกาซึ่งไม่ทำปฏิสันฐานกันโดยอามิตรมีการสละมีการต้อนรับกันโดยอามิตรและไม่มีการสนทนาพระธรรมหรือสนทนาเรื่องที่เป็นสาระแต่กลับไปสนทนาเรื่องที่ไรสาระอันนั้นชื่อว่าไม่มีอามิตรปฏิสันถานพลาดนะชื่อว่าไม่ได้เฝ้าพระศาสดา ที่ถูกต้องเราท่านทั้งหลายดูแลตัวเองพระให้ข้อมูลเท่านั้นส่วนการตั้งใจในการที่จักนอบน้อมพระบรมศ า, าสดาพระทำเต็มที่แล้วเนองในวันที่พระบรมศาสดาโปรงพระชนมายุสังขารใกล้จะโปร่งพระชนมายุสังขารพระบรมศาสดาจำภารรษาที่บ้านเวรุวคาม สเสด็จอยู่ในบ้านเวรุวะคามแล้วก็ในเวสาลีนั้นและในภรษาสุดท้ายที่พระบรมศ า, ศาสดาใกล้จากปรินิพานนั้นพระองค์เกิดอาพาธอย่างรุนแรงโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนกระแสของรูปประขันของพระบรมศาสดาอย่างหนักแต่ ราคาโทสะโมหะไม่สามารถเบียดเบียนกระแสของนามขันของษาสดาได้เพรา ะ, พระศาสดานั้นละราคะโทสะโมหะละทุลีซึ่งเป็นมลทินของจิตได้อย่างเด็ดขาดแล้วที่บริเวณโพธิมนทนในวันที่ตัสรวอนุตราสัมมาสัมโพธิญาณโดยสมุเชะระหานแล้วตัดขาดแล้วฉะนั้น菩าสดาจะไม่มีโทมาัทางใจจะไม่มีความกำหนัดขัดเคือง จะไม่มีความลุ่มหลงในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ซึ่งต่างจากบุรุชนคนหนาแน่นด้วยราคาโทสะโมหะหนาแน่นด้วยมณทินคือกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าเผลอใจนิดหน่อยกิเลส ด, ดังธุรีทั้งหลายก็จะกุ้มรุมในกระแสใจเราอย่างหนาแน่นถ้าได้อาศัยน้ําพระธรรมของพระบรมศาสดาราศดรสกระแสใจแต่ละครั้งจิตใจก็รู้ดูว่าจะพองใสขึ้นมานิดหึง ถ้าทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้บ้างท่านทั้งหลายก็นับว่าบุญนะเนี่ยแต่เราจะทำได้อย่างไรถ้าไม่มีการตระหนักไม่มีการนอบน้อมถ้าไม่มีศรัทธาที่มั่นคงอย่างแท้จริงแล้วเราจากไม่สามารถที่จะทำกุศลธรรมให้ไหลในกระแสของจิตใจได้เลยฉะนั้นด้านจิตใจด้านศรัทธาท่านทั้งหลายต้องดูแลให้ดีนะถ้าดูแลไม่ดีบาปอากุศลธรรมัลามกทั้งหลายมันจะไหลราดรดกระแสใจ ของเราท่านทั้งหลายที่ไม่สามารถจะยกกระแสจิตขึ้นสู่ฐานะของความตั้งมั่นในศรัทธาที่แน่นอนได้ศรัทธาไม่พุ่งแล่นก็ถึงระดับภาวนาศรัทธาวิริยะไม่ถึงภาวนาวิริยะสติไม่ถึงภาวนาสติสมาธิไม่ถึงระดับภาวนาสมาธิปัญญาไม่ถึงระดับภาวนาปัญญาก็จะไม่พัฒนาเข้าสู่ความเจริญในกระแสของชีวิตได้อย่างแท้จริงก็จะสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำโดยเฉพาะจะต่ํา แล้วก็เป็นไปกับตันหามานาทิฐิท่านต้องดูแลกันให้ดีญาติโยมต้องดูแลจิตใจให้ดีนะเรื่องจิตใจนี่ต้องดูแลเองพัฒนาเองแต่เอาคําสอนของภาษาสดานั่นแหละมาไว้ในใจภาษาสดารอเราเพื่อจกประกาศพระศัษธรรมให้กับเราในวันที่พระพรหศาสดาป่วยหนัก ใกล้จะมรณะภัยมรณภาพเนี่ยเนี่ยคือสามารถที่จะตายได้เนี่ยโรคภัยเบียดเบียนขนาดนั้นเมื่อทรงเกิดเจ็บป่วยหนักแล้วทรงประชวรพระพุทธเจ้านั้นเข้าจำพระพันษาหรือวัดสาแล้วก็เกิดอาพาธอย่างแรงกล้ามีเวทนาหนักใกล้จะสิ้นพระชน ทรงมีสติสัมปชัญญะอดกรั้นทุกขเวทนาทางกายไม่ให้กวนกวาวยไม่ให้จิตใจนั้นกระสับและสัารสายปกติความเจ็บป่วยเนี่ยจะทำให้รู ป, ปรกายนั้นกระสับและสัารสายทรงดำริว่าการที่เราไม่บอกกล่าวกับภิกษุผู้เป็นพุทธอุปถา ไม่บอกลาภิกษุสงฆ์แล้วปรินิพานนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราอย่างไรก็ตามเราควรขับไล่อาพาธขับไล่อาพาธก็คือว่าด้วยภาวิริยะด้วยการอธิษฐานชีวิตสังขารดำรงอยู่คือพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยสามารถที่จะตั้งวิริยะเนี่ยตั้งอิทิบาตให้เกิดขึ้นแล้วก็อธิษฐานให้ชีวิตสังขารดารงอยู่ได้ตาม อายุกลับคือหนึ่งกลับได้นั่นคือความสามารถพิเศษของพระบรมศาสดาสามารถที่จะอธิฐานให้มีชีวิตอยู่ได้ครั้งนั้นพระองค์ก็ขับไล่พระโรคาพาสนั้นให้หายด้วยพระวิยะาแล้วก็ทรงอธิษฐานชีวิตสังขารดำรงพระชนอยู่ทันแล้วโรคาพาททั้งหลายเหล่านั้นก็สงบระ ง, งับไปด้วยการอธิษฐานและจิตของท่าน นั่นคือพระบรมศาสดาเมื่อทรงหายจากพระประชวนแล้วไม่นานเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับที่ร่มด้านหลังพระวิหารครั้งนั้นพระลานนท์ก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสํารานแล้วทีแรกจริงๆเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิด เจ็บป่วยอย่างหนักผ้านนก็ทุกข์ใจมากจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นพุทธอุปถาของพระบรมศาสดาเนี่ยทำไมเราไม่สามารถช่วยพระบรมศาสดาได้เป็นต้นแต่พออยู่ต่อมาเห็นว่าพระบรมศาสดานั้นสังขับไล่พระโลคาพาธให้หายสนิทออกไปแล้วก็มีพร ะ, กะเกสษมสํำรานอยู่ด้วยพระวรกายที่สดชื่นแล้วผ้านนนก็สุขใจเนี่ยนะ ข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระบรมศาสดาแม้กันนั้นร่างกายของข้าพระองค์ประดุ ด, ดังหนักอึง้งทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกครั้งทำทั้งหลายก็ไม่แจมแจ้งแก่ข้าพระองค์เลยเนี่ยนะคือพระนรนนิคิดพระธรรมไม่ออกเลยเวลาพระพุทธเจ้าป่วยแต่ละครั้งเนี่ยเนะอย่าว่าแต่พระนริเลยนะคนที่มีความรักในพระบรมศาสดาถ้ารู้ว่าพระวรากายของพระบรมศาสดาทรงใช้งานอย่างขนาดหนัก ไม่มีเวลาพักเลยเนี่ยนะทุกคนก็ต้องหวั่นไหวว่าถ้าพระศาสดาปรินิพานไปเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเขาก็คิดคนที่เขารักรักมากรักพระพุทธเจ้าจริงๆรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยรักด้วยจิตใจที่นอบน้อมบูชาเห็นพระทานบารมีศีลบารมีของพระองค์ที่ทำมาอย่างยาวนานรู้ว่า กว่าจะรวบรวมเก็บทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาแล้วก็เก็บไว้ให้กับลูกๆเก็บไว้ให้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกและบาสิกาของท่านเนี่ยรู้ว่าพระบรมศาสดารบรมครูที่ประดุจเป็นพระบิดาของชาวโลกทั้งสิ้นเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวไกลเนี่ยและพรานนเนี่ยรู้มากทรงจำพระไตรปิดก พระธรรมคำสอนของพระศาสดาไปแสดงณนะที่ไหนกลับมาต้องแสดงให้พระนุนฟังพระนุนจำคำสอนได้ทุกอัดทุกพยัญชนะและมีความเข้าใจสามารถแสดงธรรมได้อย่างวิจิตด้วยถึงแม้เป็นพระโสดาบันแต่ก็ได้ปฏิสัมพิธาไปแล้วลองคิดดูดีคนที่มีข้อมูลอย่างท่านพระนุนเทระท่านจะหนักหนั ก, นกอึ้งทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเลย พระธรรมทั้งหลายก็ไม่สู่ไม่เข้าสู่กระแสจิตใจเลยทีนี้พระธรรมทั้งหลายก็ไม่แจมแจ้งแก่ข้าพระองค์เพราะอาการพระประชวนของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ก็มีความเบาใจอยู่ว่าตราบใดที่พระองค์ไม่ทรงปาราบพิกษุสูงแล้วทรงพิจารณาดำริอย่างใดอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าจาักไม่เสด็จดับขันธปรินิพานดังนี้พระเจ้าข้าคื อ, อยังไงก็ยังมั่นใจอยู่เพราะพระบรมศา ส, า, าสดายังไม่ปรารลบลาภิกษุสงฆ์ลาภิกษุณีอุบาสกเลอบาสิกาพระาศาสดาจักไม่เสด็จดับขันธปรินิพานเด็ดขาดพระนนก็เลยอุ่นใจอยู่ข้อเดียวนี่แหละแต่พระนนไม่ไม่มองข้ออื่นในตอนนั้นน ะ, น ะ, น ะ, นะพระพุทธเจ้าตรัส ว, าว่า ด, ดูก่อนอานนท์ ก็ภิกษุภิกษุณีบาศกและบาสิกายังหวังอะไรในพระตถ า, าคตเล่าทมและ ว, วินัยที่ตถ า, าคตทรงแสดงแล้วกระทาให้ไม่มีไม่มีนอกไม่มีในไม่มีนอกนี่นะตถ า, าคตมิได้มีกรรมมือของอาจารย์ก็คือไม่ได้ปิดบังซ่อนเลนก็คือพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาทรงรู้นั้นน่ แตถาโคดเนี่ยไม่ได้มิดเม้นเขาไว้ไม่ได้ปิดบังเขาไว้เลย <c oughs> แต่ถาโคดนี่แสดงหมดบอกเปิดเผยแสดงบอกกล่าวทั้งสิ้นแต่แสดงโดยย่อนะแสดงโดยย่อนะแสดงในรายละเอียดต่างๆตามกําหนดระยะเวลาตามอัธยาศัยของเธอเนี่ยแสดงทั้งหมดแล้วไม่มีทำตั้งหลายผู้ใดเนี่ยนะที่มีความดํำริอย่างนี้ว่าฉันจัดบริหารเ้าบอกว่า ผู้ใดพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ดีหรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องฉันก็ดีแน่นอนเขาผู้นั้นพึงปาราบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคำบางประการดูก่อนโนะ น, นต่ถาคตไม่ได้มีความดำริว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเรา ตถาคตยังปารภิกษสูงแล้วกล่าวถ้อยคำไรไรๆคราวเดียวก็ในการนบัตินี้เราตถาคตแก่เท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมามากแล้ววัยของพระตถาคตกำลังดำเนินเข้าสู่80ปีอยู่ดูก่อนนะนโนนเวียนที่ข่ำคร่าเดินไปได้ด้วยการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ชั้นใด ร่างกายของพระตถาคตก็ดำเนินไปได้เสมือนการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ชั้นนั้นเหมือนกันเนี่คือพระบรมศาสดาบอกว่าตถาคตไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาต้องการจะบริหารภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกและอุบาศิกานนะและไม่ต้องการให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามายกย่องเราคือใจของพระองค์เนี่ยไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้น ไม่ใช่ต้องการที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อจะบริหารหมู่คณะเพื่อจะมาเป็นอาจารย์ใครเลยแต่ต้องการจักเมื่อตนเองบรรลุแล้วปรารถนาให้บ like ุคคลอื่นบรรลุเมื่อตนเองข้ามได้แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยเมื่อตนเองพ้นทุกข์แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นพ้นด้วยเมื่อตนเองปรินิพานแล้วปรารถนาให้บุคคลอื่นปรินิพานแล้ด้วยเมื่อตนเองดับรอบได้แล้วปรารถนาให้บุคคลอื่น ดับรอบได้ด้วยเนื้อถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาไม่ได้ปิดบังซ่อนเล้นในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเลยแล้วพระศาสดาก็บอกว่าการชักกายของพระบรมศาสดาประดุจ ด, ดังเกวียนที่เก่าคํำค่าแล้วเกวียนที่เก่าก็จะต้องหาไม้มาซ่อมมาแซมลูกกรงหรือว่าดุมมันซด ก็ต้องมาเปลี่ยนหาไม้มาเปลี่ยนซี่กำรรมันซุดก็ต้องเปลี่ยนโคงเวียนทั้งหลายชำรุดสุดโสมหรือก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่ล่ามไปแม้ฉันใดร่างกายของพระตถาคตก็ประดุดังเกวียนที่คํามคาอย่างนั้นนั่นแหละขันเป็นแบบนี้รูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลินกายใจเป็นอย่างนี้แม้ ขันหของพระธถาคตจะเกิดจากบุญที่แข็งแกร่งมีมหาปุริสรขนาด32ประการและนุพยัญชนะ80ที่ได้มาจากกุศลกรรมที่แข็งแรงที่ได้มาจากพระรมีบา ร, รมี10อุปบา ร, รมี10ปบระัตบา ร, รมี10มาจากเจตนาก ร, รมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากก็ยังขนาดนี้ พระบรมศาสดานั้นสร้างรูปปั้นอย่างแข็งแกร่งมาไม่ใช่สร้างเพื่ออวดเนะแต่สร้างมาเพื่อจะได้แข็งแกร่งในการรองรับพธรรมเทศนาและก็ในกรณีแห่งการที่จะต้องจาริกในการที่จะโปรดเวณัยสัตว์เวณัยชนนี่แหละจนที่จะมีทั้งสังวรวินัยและปะหาวินัยที่จะรู้ทั่วถึงธรรมของพวะบรมศาสดาได้ถ้ามองถึงอดีต ในสร้างสารวัดนี่เราที่นั่งกันอยู่นี้ต้องถือว่าผิดพลาดเราสร้างบา ร, รมีผิดพลาดมากไม่ทันบรรลุต่อนหน้าพระพาักตอนดงังงดำลงพระชนอยู่ในฐานะมีรูปากายนะอินซีไม่แข็งแรงจริงจริงศรัทธาอ่อนแอวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาอ่อนมาวันนี้ จะทำให้เกิดอย่างนั้นอีกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นชีวิตก็จะวิบัติแน่ๆต้องเพิ่มแล้วต้องเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นแล้วถ้าขืนปล่อยให้สุดอย่างเดิมเราท่านทั้งหลายจะเจ็บปวดในสังสารวัฏข้างหน้าอย่างยาวไกลเราท่านทั้งหลายลองลืมตาหลับตาคิดดูเถอเราไปคนเดียว แล้วจะต้องไปเจ็บปวดคนเดียวนะสำหรับคนที่ตั้งอินรี่ห้าไม่แข็งแรงสังสารวัตข้างหน้ามันมีภัยมากพระาศาสดามีพระหมหากรุณาที่คุณต่อเราท่านทั้งหลายพระองค์จึงยอมทนลำบากยี่สิะสงขายยิ่งโดยแสนมา ก, กับพระบรมศาสดานัตบำเพ็ญประโยชน์พระหิตประโยชน์โดยส่วนเดียวนะถ้าประโยชน์ตนนะพระองค์บรรลุเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ด้วยความคิดถึงพวกเราเนี่ยไม่ใช่คิดถึงอย่างธรรมดานะคิดถึงแบบจับจิตจับใจด้วยว่าคนเช่นท่านที่มีกำลังอย่างท่านเนี่ยคำว่ากำลังในที่นั้นคือกาลังกายกาลังใจนะแล้วตอนนี้เราลองวัดดูกำลังกายของเราดีเจอเย็นหน่อยเจอร้อนหน่อยเจอฝนหน่อยสุดบางท่านป่วยไปแล้วเนี่ย ป่วยก็ยอมไม่ให้ค่อยหานจะสู้นั่นคือความอ่อนแอบางท่านเจอความหนาวก็หน่อยก็สุดนี่คือกำลังกายด้วยแล้วกำลังใจก็ไม่สู้ถามว่าถ้าภาษาสดาคิดอย่างเราจะเป็นภาษาสดาสอนพวกเราไม่ได้เลยภาษารีบุตรพระมโมคะลานะก็ไม่ได้คิดแบบเรานะ ท่านไม่ได้คิดอย่างนี้เลยท่านแสวงหาภาษาสดาทั่วชมพูทวีปขนาดชาติสุดท้ายเนท่านพูดตอนที่ท่านจักรลาภาาสดาเพื่อจะไปปรินิพานเนี่ยฟังท่านดิท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าแสวงหาพระธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยทั่วชมพูทวีป ลัที่เหล่านั้นน่ะเก้กว่าลัที่ในยุคนั้นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่ว่างเปล่าไม่มีสาระประดุดังต้นกล้วยในต้นกล้วยเนี่ยลอกกาบออกไปโดยไม่มีแก่นแม้ชั้นใดลัตที่ภายนอกที่พ า, ายละลัที่กลุ่มเดลาทีทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีสาระของความงามเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีสาระไม่มีศีลสาระในคําสอนเหล่านั้นเลย ไม่มีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนาวีติกรรมศีลเลยไม่มีสมาธิสาระคืออุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิที่จะเป็นประทัดฐานของวิปัสนาเลยสาระเลยไม่มีปัญญาสาระคือระดับวิปัสสนาญาณทุกระดับตั้งแต่นามรูปปริเคทญาณปัญญาที่พิจารณานามและรูปได้อย่างชัดเจนไปจนถึงมัรคญาณผลญาณเป็นต้นใด้ไม่มีสาระไม่มีปัญญาสาระไว้มีมิวติสาระไม่มี วิมุตติญาณทัศน์สาระและไม่สามารถจะเข้าถึงอมาตะสาระคือพระนิพพานได้เลยสแสวงหาไปก็เปล่าประโยชน์อย่างนี้เราก็ได้มุมคิดแล้วที่เราไปสแสวงหาในการบูชาต้นไม้บูชาเจ้าพ่อบูชาพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปบนบานสารก่าวทั้งหลายเนี่ยไรสาระนั่นเอง ไม่มีสีละสาระในนั้นไม่มีสมาธิสาระในนั้นไม่มีปัญญาสาระไม่มีวิมุตติสาระไม่มีวิมุตติญาณทัศน์สาระและไม่สามารถจะเข้าถึงอมตะสาระ <c oughs> กาวคือพระนิพพานที่เป็นอมตะสาระได้เลยนี่คาตอบได้หรือยังเราจะมัวไปไหว้ต้นไม้ไหว้สิ่งที่ไม่เป็นสาระอยู่ทำไมมันผิดทางแล้วมันต้องเลิกคิดจริง ว่าภาษาสดาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกับไม่หันมาหาสาระที่แท้จริงภาษาริบุตรพูดซึ่งเป็นพี่คนโตนี่นะพูดอย่างเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยวิ่งหาสาระภายนอกไม่พบพ่อวิ่งหาอย่างยาวไกลแต่พอ ม, มาเจอแล้ ว, ลวรู้แล้วว่านี่สาระที่แท้จริงแล้วตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าพระภาคของภาษาสดา เรามาปฏิ ญ, ญาณตนขอถึงพระบุตรเจ้าเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยแล้วเนี่ยใจต้องมุ่งมัน่นต้องไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นสาระในใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้องปฏิ ญ, ญาณอย่างนั้นถ้าไม่ปฏิ ญ, ญาณอย่างนั้นเดี๋ยวก็กลับไปนับถืออย่างเก่าอีกเดี๋ยวก็ไปอ่อนแออย่างเก่าอีกเดี๋ยวก็ไปเลี้ยวไหลอย่างเก่าอีกก็มันเป็นอย่างนี้ ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แหละจึงไม่สามารถเข้าถึงอมตะสาระได้แล้วชีวิตก็เจ็บปวดเจ็บปวดต้องมาบริหารตาหูจมูกดินกายใจดูอย่างยมพ่อโยมแม่มาเนี่ยตาก็ไม่ดีแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วได้ยินเป็นส่วนน้อยแล้วนี่ไงสาระที่เรายึดครอง อัฐาตรงนี้ท่านบอกอะไรเราท่านบอกว่าแต่ก่อนผมและฉันก็เหมือนท่านนั่นแหละคล่คองแคล้วฟังอะไรรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้ดูที่ท่านทั้งหลายโทษของการที่คล้ำหาศาละไม่เจอเนี่ยโทษที่ไม่ได้เฝ้าพระศาสดาโทษที่โทษที่ไม่เชื่อโทษที่ฝืนท่านโทษที่ต้อง เกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโทษที่พ้นจากสังสารวัฏไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้เป็นอย่างที่ท่านเป็นเห็นอยู่นี่แหละเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยคิดอัตถาให้ออกนั่นแหละพระศ า, าสดาสแสดงธรรมให้กับบัณฑิตได้รู้แต่เราจะอ่านออกไหมจะคิดได้ไหม ถ้าคิดไม่ได้พระศาสดาก็ประทับในใจไม่ได้ถ้าคิดได้ตอนนั้นพระศาสดาพร่ำสอนท่านอยู่นะพร่ำสอนบอกข้อมูลที่แท้จริงว่าอย่าหลงอย่าอย่าปลื้มใจต่อสรีละที่แข็งแรงอย่างเช่นที่ยังหนุ่มอย่างเช่นว่าเหลี่ยงเป็นต้นนี่เนะี่ยอย่าไปดีใจนะเนะี่ย สาระที่ได้แค่นั้นเน่อย่าไปดีใจเดี๋ยวก็สุดอันนี้ไม่ใช่แช่งเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าพูดนีว่ายังเคยเล่าให้ฟังว่ามีมีอยู่วันหนึ่งเหลียงในบบดีอุปถากรรมาอยู่โยมแม่ของเธอเออของของเธอก็เล่าให้มาฟังเดิน ไปในห้างแล้ว ก, ก็สุดลงเลยนี่นะขนาดหนุ่มๆเกือบตายนันเนี่ยไปโรงพยาบาลผลปรากฏว่าปอดฉีกหรือที่เ็เรียวกว่าปอดมันแตกนะั่นเองเห็นไหมอยู่ดีๆอายุยี่สิบกว่ า, วาปอดข้างในก็แตกได้สุดลงเลยทางแม่ก็บอกดีนะ อาจจะเกิดจากบุญที่นิมนต์พระไปแสดงธรรมแล้วให้ลูกชายล้างเท้าให้พระคงจะเกิดจากบุญตรงนั้นนั่นแหละอุดหนุนส่วนหนึ่งทำให้ชีวิตมีอยู่ได้วันนี้ได้นั่นแปลว่าใครช่วยรู้ไหมพระศ า, าสดาช่วยได้นอบน้อมไงได้ดูแลสาวกของพระศ า, าสดาได้ล้างเท้าให้ท่านไงบุญนั้นก็เลยเกื้อหนุนเป็น ทิฏฐธรรมะเวทยกรรมเชื่อมโยงกับบุญในื้อดีดด้วยเลยดูแลกระแสชีวิตไม่ให้วิบัติไปไงเกือบเป็นอุปคาตกรรมนะตัดรอนกระแสชีวิตก็ขนาดอายุในน้อยยังเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราล่ะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอากุศลกรรมใดๆมันจะเล่นงานถ้าตอนนั้นตายไปในขณะที่บาปเกิด ก็อ บ, บายนั่นแหละเป็นเรือนไปของเรานั่นแหละเขาเรียกบ้านที่ทาวรของสัตว์โลกที่มืดบอดเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วต้องทําสังเวคฆ่ายานให้ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นอย่ามัวกังวลเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นกังวลมามากแล้ว แล้วไม่เคยช่วยอะไรให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ดวงตาสว่างได้สี้ทีเลยแต่ความตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนของพระบรมศา ส, สดาเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะกระทําเมื่อกระทําแล้วก็กระทำให้ต่อเนื่องพอกพูนศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดอย่างต่อเนื่องอ ย, ย่าหยุดหย่อนนะเรื่องการที่จะดูแลกระแสจิตใจเราท่านทั้งหลายการฟังพระธรรมการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน การเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นระยะระยะนั้นเป็นสิ่งที่อุบาสกบาสิกาทั้งหลายพึงกระทำการที่เรามาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดานั้นเขาเรียกว่าเข้ามานั่งใกล้ชิดโดยนามาทำอยู่ติดกับพระบรมศาสดาเนี่ยเาเรียกว่าเฝ้าพระบรมศาสดาอยู่เป็นประจําพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนอาโนนแต่ถาคตนี่นะมีความดำํำริว่า ในสมัยใดตถาคตเนี่ยเข้าถึงเจโตสมาธิหานิมิตไม่ได้อยู่เพราะไม่มานาสิการถึงนิมิตทั้งปวงก็แปลว่าตอนนั้นน่ยพระบรมศาสดานั้นเข้าอิธิบาตแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นต้นแล้เนี่ยนะหรือเวทนาทั้งหลายบางอย่างดับไปหรือบางครั้งเนี่ยพระบรมศาสดาเข้านิโรธาสมาบัตในสมัยนั strong, ้นร่างกายของพระตถาคตน่ะมีความผาสุกอย่างยิ่ง พระพุทธศาสดาสามารถจะอธิษฐานแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติคําว่าอธิษฐานและขอให้ชีวิตของตอนเองเนี่ยดำรงอยู่ได้โดยใช้ฉันทาวิริยะจิตตาและปัญญาเนี่ยเป็นแงกระตุ้นนะเป็นอิทธิเนะี่ยเขาเรียกว่าอิทธิในที่นั้นก็แปลว่าเหตุที่จะทําให้สําเร็จน่ยนือธิฐานและอิทธิทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในการที่จะอธิษฐานให้มีการดํารงอยู่ได้ถ้าใครสามารถที่จะ ชันทะนีความพอใจอย่างแรงกล้าวิริยะเนี่ยความเพียรอย่างแรงกล้าจิตตาความจิตใจจดจ่ออย่างแรงกล้าแล้วก็วิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยนะที่มีการวิจัยอย่างแรงกล้าเขาเรียกว่ามีอิทธิบาทคุณเครื่องให้สำเร็จตามความประสงค์ถ้าใครสามารถทำได้นะทำได้ระดับที่เป็นโลกุตระก็จะได้ผลในโลกุตระทาได้ในระดับโลกิยะก็จะได้ผลในระดับโลกิยะ เราในฐานะที่เป็นลูกของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าคว้าอิทธิบาทข้อใดข้อหนึ่งให้เกิดขึ้นในกระแสจิตไม่ได้จากไม่ได้ทรัพย์ของพ่อถ้าไม่ทําฉันทิฏฐิบาทให้เกิดขึ้นนะไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังไงเกิดมาเป็นลูกของพระาศาสดาแล้วจะต้องเอาธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระมรดกเนี่ยเข้ามาคว้ามาให้ได้มีความรักและปรารถนาอย่างแรงกล้า ถ้าไม่ได้ตายดีกว่านี่นะถ้าไม่คิดถึงขนาด น, ะนั้นเะนี่ยนะจักไม่สามารถคว้าโลกุตัลธาทำได้ด้วยด้วยชันทะาหรือคนที่มีวิรยิยะอย่างแรงกล้าที่บอกว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแท้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้มรดกของพ่อคือโลกุตรลลามราดกและจักไม่หยุดความเพียร น, นีหรือจิตตะนี่นะบุคคลที่มีจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเนะี่ย จิต ใ, ใจก็มุ่งมั่นว่าพระบรมศาสดานีนเป็นอารมามนาธิบดีทรัพย์ของพ่อเป็นอารมามนาธิบดีคือพระธรรมของพ่อนั่นเองการประพฤติปฏิบัติดีของภริยาสงฆ์ซึ่งเป็นลูกของพ่อที่เข้าถึงความได้รับธรรมม ร, รดกได้บริบูรณ์แล้วนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแรงจูงใจให้เราเดินตามท่านเหล่านั้นถ้าไม่มีจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะไม่ได้มรดดกที่เป็นโลกุตระวิมังสา ก็คือการมีปัญญาไตรตรองไขควรอยู่ตลอดเวลาวิจัยอย่างต่อเนื่องว่าถ้าไม่ได้มรดกของพ่อไม่หยุดวิจัยเนี่ยนะถ้าไม่มีอิธิบาททั้งสี่ก็จะพลาดจากโลกุตระมรดกของพ่อซึ่งเป็นธรรมะมรดกระดับสูงที่พ่อฝากไว้ถ้ามีอ่อนแอลงมานะก็อยู่ในระดับว่ามีศีลแต่ก็เป็นคนไม่ขวนขวายไม่พยายามเราเป็นคนดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายอะไรเพราะยังมีศีลอยู่บ้างเราก็พลาดจากธรรมะมรดกที่พ่อฝากไว้ตอนนี้พ่อรอให้เรามาเอามรดกแล้วก็บอกตลอดเวลามรดกอยู่ตรงนั้นทํามือให้เกิดขึ้นแล้วหยิบเอาสิตอนนี้เราทําศรัทธายังไม่ถึงไงแล้หยิบเอาไม่ได้ตอนนี้ยิบไม่ได้นะเพราะศรัทธาไม่ถึงฉะนั้นต้องตั้งศรัทธา ทำมือให้เกิดขึ้นถึงจะได้มรดกเหล่านั้นพระประมาศาสสดาก็บอกแก่พระอนนท์ว่าพระตถาคตเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ถ้าพระองค์จะเข้าอิทิบาทเป็นต้นแล้วพระประมาศาสดาก็บอกที่พึ่งดูก่อนนะนนท์ที่บอกว่าเธอทั้งหลายในสมัยใดร่างกายของพระตถาคตมีความ ม, วา ม, มีความสุขเพราะเหตุนั้นแหละอนนท์ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยนี่แปลว่าอะไรเนี่ยภาษาสระเตือนและในภาษาสุดท้ายเนี่เตือนแล้วให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะให้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยตอนนี้คําว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสาารณะนั่นคืออะไร พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานอนท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอย่างไรเล่าดูก่อนอานอนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้คําว่าภิกษุในพระธรรมวินัยเนี้ยภิกษุนิยบาสกและบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ด้วยนะพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานาสในโลกเสียได้หนึ่ง แล้วก็ดูก่อนนานนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งเนี่ยนะดูก่อนานานน ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นศารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นศารณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นศาณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นศารณะด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนนนท์เพราะว่าในการระบตดนี้ก็ดีในการที่เราตตาคตร่วงลับปลิณิพานไปแล้วก็ดีภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งจากเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะ จักมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นศาสนะไม่มีสิ่งอื่นเป็นศาสนะภิกษูทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ไขในการศึกษาเหล่านี้นั้นจักเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดดังนี้แลคำว่าไขศึกษาเนี่ยไขที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไขที่จะเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไขที่จะเจริญศรัทธาพระวิริยพระสติพระปัญญา สมาธิพละปัญญาพละเนอใครที่จะเจริญสติสัมโพชฌง์วิริยะสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงธรรมวิญยาสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัจสถธิสมาธิและก็อุเบขาสัมโพชฌงใครที่จะเจริญอริยามรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าใครต่อการศึกษาและปฏิบัติแล้วเราเป็นผู้ใครไหม ใครในที่นั้นก็แปลว่ามีชันทะอย่างแรงกล้าไหมที่จะเจริญสิกขาสามถ้าไม่มีชันทะไม่ใคร่ต่อการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วกระแสชีวิตจะสุดตำ่ำแค่นั้นต้องเป็นผู้ใคร่ในการที่จะศึกษา แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ท่องแท้